วันนี้เป็นวันเสาร์ที่14มีนาคมพุทธศักราช2563เป็นช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ทั่วโลกซึ่งสร้างความตื่นตนกสร้างความหวาดกลัว สร้างความวุ่นวายให้กับใจของคนทุกคนที่อยู่ในโลกนี้ความทุกข์ใจความเดือดร้อนใจความเครียดนี้เป็นอีกโรคหนึ่งเป็นโรคทางใจโรคทางกายยังไม่เกิดแต่โรคทางใจเกิดขึ้นก่อนแล้ว เพียงแต่ได้ข่าวว่าจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อติดโรคเจ็บไข้ได้ป่วยและอาจจะถึงกับตายได้ก็สร้างโรคทางใจให้เกิดขึ้นก่อนแล้วซึ่งยาต่างๆที่ใช้ในการรักษาโรคทางร่างกายนี้ ไม่สามารถที่จะมารักษาโรคทางใจได้โรคทางใจนี้ต้องอาศัยยารักษาโรคทางใจซึ่งไม่มีที่ไหนที่จะมียารักษาโรคทางใจได้ดีเท่ากับ ไดยารักษาโรคทางใจของพระพุทธศาสนายารักษาโรคทางใจของพระพุทธศาสนาเรียกว่าธรรมโอสถธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละเป็นยารักษาโรคทางใจที่จะสามารถทำให้ใจนี้ไม่ทุกข์ไม่กังวล ไม่หวาดกลัวไม่ตื่นตระหนกกับความทุกข์ทางร่างกายกับความเจ็บไข้ได้ป่วยทางร่างกายกับความตายของร่างกายความทุกข์ทางร่างกายก็เป็นความทุกข์ที่น้อยกว่าความทุกข์ทางใจถ้ารักษาความทุกข์ทางใจ ไม่ให้ทุกข์ได้แล้วความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่มากระทบกระเทือนกับจิตใจจิตใจที่มีธรรมโอสถจะเป็นจิตใจที่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความทุกข์ของทางร่างกายดังนั้นเราต้องมาเตรียม หรือมาหาธรรมโอสถกันเพื่อมารักษาโรคใจของพวกเราที่เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่โรคทางร่างกายยังไม่เกิดมีใครบ้างที่ตอนนี้บอกว่าไม่เดือดร้อนไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวกับการที่จะต้องไปติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ แทบจะพูดได้เลยว่าแทบทุกคนตอนนี้เป็นโรคทางใจกันแล้วดังนั้นก่อนที่โรคทางร่างกายจะมาเราต้องมารักษาโรคทางใจกันก่อนเพราะว่าตอนนี้โรคทางใจมันเกิดขึ้นแล้วถ้าเราไม่รักษาโรคทางใจนี้มันจะสร้างความทุกข์ทรมานใจ ให้กับพวกเรามากกว่าโรคทางร่างกายโลคทางร่างกายนี้เป็นส่วนย่อยคือความทุกข์ของทางร่างกายเมื่อเปรียบเทียบกับความทุกข์ของใจที่เราทุกข์กันมากนี้ไม่ใช่ทุกข์เพราะร่างกายทุกข์แต่ทุกข์เพราะว่าใจทุกข์ แต่ถ้าเรามีธรรมโอสถเราจะไม่ทุกข์ทางใจและเวลาทุกข์ทางร่างกายเราก็จะรับมือกับมันได้เราจะไม่เดือดร้อนเราก็จะดูแลมันไปตามอัตภาพตามความเป็นจริงซึ่งอย่างมากมันก็แค่ตาย แลไม่ว่าจะมีโรคภัยไข้เจ็บระบาดหรือไม่ความตายก็ต้องเกิดขึ้นกับร่างกายของทุกๆคนอยู่ดีถ้ามีธรรมโอสถคอยรักษาใจใจจะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายไม่ว่าจะเป็นความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นความตายที่เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายของทุกทุกคนที่เมื่อเกิดมาแล้วก็ต้องพบกับความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ต้องพบกับความตายกันทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องที่ไม่ยืดเยื้อยาวนานเหมือนกับความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางใจนี้ยืดเยื้อยาวนาน มากกว่าความทุกข์ทางร่างกายร่างกายตายไปแล้วใจยังทุกข์ต่อไปได้อีกถ้าไม่มีธรรมะโอสถใจก็จะทุกข์ไปเรื่อยๆจะทุกข์ข้ามภพข้ามชาติไปพอร่างกายนี้ตายไปพอไปเกิดใหม่ก็ไปทุกข์กับร่างกายอันใหม่ต่อจะทุกข์อย่างนี้ไปเป็นเวลาอันยาวนาน ถ้าไม่มีธรรมโอสถมารักษาใจให้หายทุกข์ดังนั้นถึงแม้ว่าโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องดูแลกันแต่เรื่องความโรคภัยไข้เจ็บของใจนี้สำคัญกว่ามาก ถ้าเราให้ความสําคัญกับการรักษาโรคภัยทางร่างกายเราก็ต้องให้ความสําคัญให้กับการรักษาโรคของใจให้มากขึ้นไปเสียได้ซ้ําไปเพราะโรคของใจนี้มันสําคัญกว่าโรคของทางร่างกายเพราะมันเรื้อรังยาวนานไม่มีวันสิ้นสุด ถ้าไม่ได้รับการรักษาโลคของร่างกายจะได้รับการรักษาหรือไม่ได้รับการรักษาไม่ช้าก็เร็วมันก็จะสิ้นสุดตรงของมันเองบางทีมันก็หายเองได้บางทีมันก็ต้องรอให้ตายก่อนมันถึงจะหายแต่มันก็หายแล้วมันไม่เรื้อรังเหมือนกับ โรคของจิตใจพอร่างกายตายไปโรคของร่างกายก็หายไปหมดไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดโรคมะเร็งโรคความดันโรคเบาหวานสารพัดโรคต่างๆพอร่างกายกลายเป็นขี้เท่าไปแล้วโรคเหล่านั้นก็ตายไปหมดพร้อมๆกับร่างกายแต่โรคทางใจนี้มันไม่หายไป กับความตายของร่างกายใจก็ยังทุกต่อไปแล้วใจก็ต้องไปทุกในอบายเพราะใจที่เป็นทุกนี้จะถูกจัดให้ไปอยู่ในอบายไม่ได้ไปสู่สวรรค์ดังนั้นการมารักษาโรคใจจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าการ รักษาโรคทางร่างกายและการที่จะรักษาโรคทางใจได้ก็ต้องเข้าหาผู้รู้คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นี่เองที่รู้วิธีรักษาโรคทางใจโรคทางใจนี้สามารถรักษาให้หายได้ด้วยธรรมโอษฐสองชนิดด้วยกัน ชนิดที่หนึ่งก็เรียกว่าสติชนิดที่สองก็เรียกว่าปัญญาสตินี้เป็นญารักษาโรคให้ลั ง, งับชั่วท่าวเพื่อบรรเทาไปก่อนเพื่อที่จะรอใช้ให้ปัญญามารักษาให้หายขาดถ้าเปรียบเทียบเป็นทาง รักษาโรคทางร่างกายสติก็เป็นเหมือนการรับประทานยาแก้ปวดไปก่อ น, นเวลาเกิดอาการปวดทางร่างกายก็กิญญนยาระงับความปวดไปก่อนเป็นวิธีที่ง่ายและรวดเร็วที่จะช่วยบรรเทาความปวดในร่างกายให้หายไปได้ชั่วคราวแต่จะไม่หายได้อย่างถาวร วิธีที่จะทำให้โรคของร่างกายคือความปวดของร่างกายหายไปอย่างท้าวรก็ต้องใช้วิธีผ่าตัดมีความปวดตรงไหนมีเนื้องอกตรงไหนแพทย์ก็บอกว่าต้องตัดเนื้องอกนั้นทิ้งไปแล้วความปวดก็จะหายไปอย่างท้าวอน นี่คือการรักษาโรคของทางร่างกายเหมือนกับการรักษาโรคทางใจเบื้องต้นก็เอาแบบง่ายและเร็วก่อนเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดคือถ้าเป็นร่างกายก็ให้ยินกินยาแค่ปวดไปก่อนก่อนที่หมอจะมาผ่าตัดเอาตัวที่เป็น ปัญหาที่ทำให้เกิดอาการปวดในร่างกายนั้นออกไปพอผ่าตัดเอาออกไปได้แล้วอาการเจ็บปวดของร่างกายก็จะหายไปอย่างถาวรชันใดโรคของทางใจก็เป็นอย่างนั้นเบื้องต้นก็ต้องใช้วิธีบรรเทาความทุกข์ใจไปก่อนด้วยการใช้สติมาระงับความทุกข์ใจ ที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจไปในทางความอยากต่างๆนั่นเองเช่นตอนนี้ความคิดปรุงแต่งจะปรุงแต่งไปทางไหนก็ปรุงแต่งไปทางโลกไข้หวัดใหญ่ ừ. อยากไม่ให้เป็นโรคไข้หวัดใหญ่กัน ừ. ความอยากไม่เป็นโรคไข้หวัดใหญ่นี้แหละเป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์ทำให้ใจไม่สบายกัน วิธีที่จะระงับความทุกข์ความไม่สบายใจที่เกี่ยวกับเรื่องของการจะไปติดโรคไข้หวัดใหญ่ก็คือให้หยุดคิดถึงโรคไข้หวัดใหญ่เสียทะนั้นเองให้ใช้สติมาหยุดความคิดที่จะคิดถึงเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่กัน ว, วิธีที่จะทำให้เลิกคิดถึงโรคไข้หวัดใหญ่ได้ ก็ต้องใช้การบริกรรมพุทธโธหรือใช้การสวดมนต์หรือใช้การนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกแล้วแต่ความสามารถของผู้ปฏิบัติว่าจะสามารถใช้สติแบบไหนได้ mm hmm. ก็ให้ใช้สติแบบนั้นไปถ้าใช้พุทธโธได้ก็หมั่นพุทธโธไว้ พอจะคิดถึงโรคหวัดก็พุทธโธพุโทโธไปจนกว่ามันจะหยุดคิดถึงโรคหวัดเราก็หยุดพุดทธโธได้เพราะความทุกข์ความเครียดเกี่ยวกับโรคหวัดก็จะหายไปชั่วคราวแต่พอเรามาคิดถึงมันอีกเมื่อไรเราก็ใช้พุทธโธใหม่ทำอย่างนี้ไปแล้วรับประกันได้ว่าเหมือนกินยาแก้ปวดทางร่างกาย เวลาร่างกายปวดก็กินยาแค้ปวดไปเดี๋ยวสามสี่ชั่วโมงอาการปวดกลับมาใหม่ก็กินใหม่อีกสองเม็ดก็กินอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ไปผ่าตัดในโรงพยาบาลเมื่อผ่าตัดเอาตัวปัญหาออกไปแล้วอาการเจ็บปวดในร่างกายก็จะหายไปหมดก็ไม่ต้องกินยา แฝ่ปวดอีกต่อไปแต่ถ้ายังไม่ผ่าตัดก็ต้องกินอยู่เรื่อยๆฉันใดการระงับความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของใจก็ต้องใช้สติคอยหยุดความคิดที่มาสร้างความทุกข์ใจทุกครั้งที่มันทุกข์กับเรื่องข้หวัดใหญ่ ก็ท่องพุทโธไปแล้วนะใช้ได้กับทุกโรคไม่ใช่แต่เฉพาะโรคไข้หวัดใหญ่ใครเป็นโรคเบาหวานใครเป็นโรคความดันใครเป็นโรคซับจางโรคซับจางก็รักษาได้อย่าไปคิดถึงมันใช้พุทโธพุทโธโรคแฟนหายก็เหมือนกันแฟนหายก็พุทโธพุทโธไป รักสตินี้รักษาได้ทุกโลกโลกทางใจนี้สามารถใช้สติได้พอเราไม่สบายใจกับเรื่องใดก็หยุดคิดถึงเรื่องนั้นเถิดคิดไปยิ่งทุกข์คิดไปทำไมหยุดคิดแล้วมันก็จะหายทุกข์นี่คือวิธีรักษาโรคใจในเบื้องตน้นให้รักษาด้วยการใช้สติในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ที่เราสามารถใช้กันถ้าเราใช้พุทธโธได้ก็ท่องพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปภายในใจอย่าหวังให้มันหายแบบปุ๊บปับ๊บเหมือนอเปิดสวิตไฟมันมันจะเหมือนกับปลูกต้นไม้มากกว่าเหมือนกินยามากกว่าไม่ได้กินยาเข้าไปในปากพราบอาการปวดจะหายไปปั๊บเนี่ย มันก็ยังไม่หายทันทีต้องให้มีเวลาให้ยามันเข้าไปกระจายไปในร่างกายไปสู่จุดที่มันปวดมันถึงจะสามารถระ ง, งับอาการเจ็บปวดได้ฉันใดการที่จะหยุดคิดถึงเรื่องที่ทำให้เราทุกข์ให้เรากังวลกันก็ต้องใช้เวลาพุทโธหรือใช้เวลาสวดมนต์ หรือใช้เวลานั่งดูลมหายใจเข้าออกไปบ่อยๆไปเรื่อยๆอย่ารีบร้อนอย่าใจร้อนต้องใจเย็นๆทําไปเรื่อยๆพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหรือสวดมนต์ไปเรื่อยๆมนต์นี้สวดบทไหนก็ได้เอาบทที่เราจําได้ไม่ต้องเปิดหนังสือ เพราะเปิดหนังสือมันจะยุ่งยากมันจะไม่สะดวกถ้าจําได้นี้เราสวดได้ทุกในทุกอิริยาบถไม่ว่าจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอนถ้าเราสวดภายในใจนี้เราสวดได้ทุกในอิริยาบถนด้ในทุกสถานที่แม้แต่อยู่ในห้องน้ําก็สวดได้เพราะเราถือว่าเป็นการกินยาเป็นการรักษาโรคใจ ไม่ได้เป็นการเสียความเคารพแต่อย่างใดแต่ถ้าเราสวดออกเสียงนี้ก็อาจจะคนอื่นเขาไม่เข้าใจเขาก็อาจจะว่าเราไม่มีความเคารพในในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ได้เพราะฉะนั้นการที่จะใช้สตินี้ใช้ได้ให้อย่างสะดวกรว ด, ดเร็วง่ายดายและทุกสถานที่ทุกเวลา ก็ให้ใช้ภายในใจให้ระลึกขึ้นมาภายในใจเหมือนกับความคิดของเราเราก็คิดอยู่ในใจได้คิดด่าคนนั้นด่าคนนี้ได้เราไม่คิดออกเสียงใช่มัมเพราะเราคิดถ้าออกเสียงเดี๋ยวก็โดนเขาด่ากลับท่านั้นแต่ถ้าเราไม่อยากให้เขาด่ากลับเราก็คิดไปในใจด่าไปในใจได้ฉันใดสวดมนต์ก็สวดไปภายในใจได้ไม่จาเป็นที่จะต้องออกเสียง พราะสิ่งที่เราต้องกาจัดมันไม่ได้อยู่ข้างนอกใจไม่ได้สวดมนเพื่อไล่ผีไล่คนนั้นไล่คนนี้ไล่โลครคภัยไข้เจ็บสวดมนเพื่อไล่ความคิดเนี่ยไม่ให้มันคิดเพราะมันคิดแล้วทำให้ทุกข์เนี่ยพอคิดถึงโลกที่เราเป็นอยู่นียมันไม่สบายใจขึ้นมาหรือคิดถึงโลกที่เรากำลังจะเป็นหรืออาจจะเป็นมันก็ทาให้เราไม่สบายใจขึ้นมา พอมันไม่สบายใจนี่เราต้องอย่าให้มันคิดเนยพุทโธพุทโธไปสวดมนต์อิตีปีโสไปหรือถ้าเรายังไม่มีกำลังจริงๆที่จะสวดที่จะพุทโธก็เปิดธรรมะฟังไปก่อนก็ได้อาศัยการฟังเทศฟังธรรมเพื่อดึงจิตใจเราให้ออกจากความคิดต่างๆถ้าเราตั้งใจฟังเราก็จะ คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้การฟังธรรมก็ช่วยทำใจให้สงบได้และอาจจะช่วยทำให้ปล่อยวางความทุกข์ของทางใจได้ด้วยเพราะปัญญาจะสอนให้เรารู้วิธีที่จะกำจัดความทุกข์อย่างถาวร น, นั่นเองว่ากำจัดอย่างไรแต่ถ้ายังทำไม่ได้ ฟังเทศฟังธรรมไปก่อนฟังเราไม่เข้าใจก็ยังไม่เป็นไรถ้าตั้งใจฟังให้ฟังอยู่ที่เสียงตามฟังไปเรื่อยๆเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรขอให้มีการฟังการจดจ่ออยู่กับการฟังเพื่อให้ไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องที่ทำให้ใจทุกข์เนี่ย ความทุกข์นั้นก็จะระงับไปชั่วคราวได้นี่คือวิธีการของการใช้ธรรมโอสถชนิดที่หนึ่งคือสติเราต้องควบคุมความคิดปรุงแต่งของเราให้ได้อย่าปล่อยให้มันคิดเพราะมันจะชอบไปคิดในเรื่องที่ทำให้เราไม่สบายใจคิดถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ คิดถึงเรื่องของคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราอยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็ทำให้เราไม่สบายใจกันพอเราไม่ไปคิดถึงมันความไม่สบายใจก็จะระงับไปชั่วคราวแต่พอเวลาเราเผลอกลับไปคิดอีกมันก็จะ ทำให้เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอีกได้ถ้าอยากจะกำจัดความคิดที่ทำให้เราไม่สบายใจอย่างถาหวรนี้เราต้องมาใช้ปัญญาเป็นธรรมโอสถชนิดที่สองเป็นเหมือนการผ่าตัดเราต้องเอาเหตุที่พาให้เราคิดที่ทำให้เราทุกข์กันเหตุที่พาให้เราคิดพาให้เราทุกข์กันนี้ ก็คืออวิชชาอาวิชชาก็คือความไม่รู้ความจริงความไม่รู้ความจริงของสิ่งที่เราไปทุกข์ด้วยว่าเขาเป็นอะไรกันแนะ่ว่าเขาเป็นนิจจังหรือเขาเป็นอนิจจังเขาเป็นสุขขังหรือเขาเป็นทุกขังเขาเป็นอัตตาหรือเขาเป็นอนัตตา ถ้ามีอวิชชาอยู่ในใจแล้วใจของวกเราจะคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เราอยากได้กันนี่มันเป็นนิจอย่างคือคิดว่าได้มาแล้วมันอยู่มันจะเป็นอยู่กับเราไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงแล้วมันจะให้ความสุขกับเราไปตลอดเป็นสุขขังแล้วมันจะเป็นของเราไปตลอดเป็นอัตตา เราเวลาเห็นอะไรสัมผัสกับอะไรได้อะไรมานี้เราจะคิดด้วยอวิชชาคิดว่าเขาจะเป็นนิจจังสุขขังอัตตาแล้วถึงอยากได้มางเพราะเราคิดว่าเขาเป็นสุขขังคิดว่าได้เขามาแล้วจะให้ความสุขกับเราตลอดเวลาเป็นของเราอยู่กับเราไปตลอดเวลา แต่ถ้าลองศึกษาดูความเป็นจริงแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือไม่ไม่มีอะไรเป็นอย่างนั้นเลยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังพอมันเป็นอนิจจังพอมันเปลี่ยนไปมันก็เป็นทุกขังขึ้นมามันเป็นทุกขังก็เพราะว่าเราไปให้เขาเป็นนิจจังไม่ได้สั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาเป็นของเราเป็นอนิจเป็นนิจจังไม่ได้ เพราะเขาเป็นอนัตตานี่แหละคือตัวที่ทำให้เราคิดแล้วทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราจะคิดอยากให้สิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราได้มาหรือสิ่งที่เรายังไม่ได้ว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตานั่นเองนี่แต่ถ้าเรามาศึกษาความจริงแล้วเปลี่ยนความความรู้ใหม่ ความรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นนิจจังสุขขังอนัตตามาเปลี่ยนให้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาออพอรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เรามีหรือที่เราอยากได้เออี่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาออมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดเมื่อมันเสื่อมมันหมดมันก็จะต้องทำให้เราทุกข์ มันจะต้องจากเราไปมันจะไม่ได้อยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดถ้าเรารู้ล่วงหน้าไว้ก่อนเราก็จะได้ถอนตัวออกจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นว่าไม่เอาดีกว่าไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านั้นดีกว่ามีแล้วจะต้องทำให้เราทุกมีไปทาไมถ้ามีแล้วก็ต้องเตรียมตัวให้เขาจากไป พอไม่ช้าก็เร็วเขาจะต้องจากไปอย่างแน่นอนถ้าเราพร้อมที่จะให้เขาจากไปถ้าเราปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดไม่ต้องการใช้เขามาเป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเราเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาเจ้ร่างกายของเราถ้าเราไม่พิจารณาความจริงเราจะคิดว่าร่างกายนี้เป็นนิจังสุขขังอัตตา เราจะคิดว่าร่างกายนี้จะสมบูรณ์แข็งแรงไปเรื่อยๆจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บจะไม่มีวันตายกันแต่อันนี้มันเป็นอวิชชาเป็นความคิดแบบอวิชชาคิดแบบไม่ตรงกับความเป็นจริงถ้าคิดแบบตรงความเป็นจริงต้องคิดว่าร่างกายนี้จะต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆจะต้องแก่ลงไปเรื่อยๆ แล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยอวันใดวันหนึ่งไม่ช้าก็เร็วเจ็บมากเจ็บน้อยเอแล้วในที่สุดมันก็จะต้องตายไปด้วยกันทุกคนคิดอย่างนี้แล้วมันก็จะทําให้ปล่อยวางร่างกายได้อปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วยวัดได้ปล่อยวางความตายได้ ถ้าปล่อยได้แล้วมันจะไม่กลัวความเจ็บไข้ได้ป่วยมันจะไม่กลัวความตายเพราะมันผู้ที่ปล่อยไม่ได้ไปเจ็บไข้ได้ป่วยกับสิ่งที่ถูกปล่อยนั่นเองสิ่งที่ถูกปล่อยคือร่างกายผู้ที่ปล่อยคือใจใจไปทุกข์กับร่างกายเพราะใจไม่ปล่อยร่างกายใจไปยึดไปติดกับร่างกาย พอใจต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆให้กับใจนั่นเองแต่พอมีคนฉลาดมาสอนความจริงว่าการไปยึดไปติดกับร่างกายนี้จะทำให้ต้องทุกข์เวลาที่ร่างกายมันเปลี่ยนไปเวลาที่ร่างกายมันแก่เวลาที่ร่างกายมันเจ็บไข้ได้ป่วย เวลาที่ร่างกายมันตายมันจะทำให้ใจที่ไปยึดไปติดกับร่างกายนี้ทุกทรมานมากทุกมากกว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยทุกมากกว่าความตายของร่างกายแต่ถ้าปล่อยมันได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับมันและวิธีที่จะปล่อยก็ต้องใช้สตินี่แหละพอใจไปทุกข์กับร่างกายไปกังวลกับ โรคภัยไข้เจ็บไปกังวลกับความตายก็ต้องหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆเหล่านี้เพราะความคิดปรุงแต่งนี่แหละเป็นตัวที่ไปยึดใจให้ติดอยู่กับร่างกายนั่นเองพอเราหยุดความคิดปรุงแต่งได้ก็เท่ากับเราแกะตัวที่จะไปเอาใจไปยึดไปติดกับร่างกายนั่นเองความคิดปรุงแต่งนี่จึงเปรียบเหมือนกับกาว ที่เราใช้เวลาที่เราต้องการที่จะติดกระดาษสองแผ่นให้มันติดกันนี่เราก็ต้องทากาวออพอทากาวแล้วเราก็ไปปะบนกระดาษสองแผ่นให้ติดกันมันก็จะติดกันแน่นไปเลยเออแล้ววิธีที่จะทำให้มันแยกออกจากกาันต้องทำยังไงออก็ต้องไปละลายกาว ที่มันติดที่ทําให้กระดาษสองแผ่นติดกันสมัยก่อนคนอยากจะลากรอบอ่านจดหมายของคนอื่นเขาทํางไงรู้ปะเขาไปเอาไอ้น้ําไปไปให้มันผ่านไอ้ตัวกาวตรงกระดาษที่มีกาวพอไอ้น้ํามันเข้าไปในกระดาษมันก็ทําให้กาวมันละลายมันมันแห้งมันก็ติดพอมันเปียกมันก็เลยไม่ติด เขาก็เลยแกะดูจดหมายของคนอื่นได้ดูเสร็จก็สามารถเอาเก็บใส่เหมือนเดิมได้โดยที่เจ้าของจดหมายไม่รู้ว่าถูกอ่านไปแล้วถูกแฮกไปแล้วถ้าสมัยใหม่นี่ก็อะอีเมลถูกแฮกไปแล้วมีคนแอบก็ไปอ่านจดหมายของเราแล้วอันนี้แหละธรรมะคือสตินี้ก็เป็นเหมือนตัวที่จะละลายนะลายกาว ที่ทำให้ร่างทำให้ใจไปยึดติดกับร่างกายนั่นเองครับพอเราใช้พุทโธพุทโธใช้การสวดมน่ใช้การฟังเทศฟังธรรมเนี่ยใจที่ไปยึดไปติดกับร่างกายก็จะแยกออกจากกันทำให้ใจไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับความเจ็บไข้ได้ป่วยกับความตายของร่างกายเนี่นี่แหละคือสิ่งที่พวกเรา ต้องมาสร้างกันขึ้นมาเพราะธรรมโอสถนี้ซื้อไม่ได้ไม่มีร้านขายมีแต่ร้านสอนร้านสอนก็คือวัดวาอารามต่างๆครูบาอาจารย์ต่างๆนี้ท่านจะสอนให้เราสร้างธรรมโอสถขึ้นมารักษาใจของเราเองไม่มีใครจะสร้างธรรมโอสถ์ให้กับเราได้ เราต้องเป็นผู้สร้างเองแต่ก่อนที่จะสร้างเองได้ก็ต้องไปเรียนรู้วิธีสร้างขึ้นมาก่อนว่าการที่จะทำให้เรามีสติได้นั้นต้องทำอย่างไรเมื่อรู้แล้วเราก็ต้องไปทำกันถ้าไม่ทำก็ไม่ได้ยาเหมือนกับไปหาหมอหมอบอกว่ า, าต้องไปซื้อยานี้มารักสถานที่ร้านขายยานะเนอะ ถ้าเราไม่ไปซื้ อ, อยามารับประทานเราก็ไม่มียารับประทานหมอเพียงแต่เป็นคนสั่งยาพระพุทธธรรมพระสองก็เป็นคนสั่งยาสั่งวิธีสร้างยารักษาใจคือธรรมโอสถสั่งว่าต่อไปนี้ต้องเจรันสติให้มากๆเจรัญสติให้บ่อยๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดถึงคนนั้นคนนี้ คิดถึงร่างกายคิดถึงโรคภัยไข้เจ็บของร่างกายคิดแล้วมันจะทำให้ทุกข์ถ้าจะคิดให้ไม่ทุกข์ก็ต้องคิดตามความเป็นจริงให้คิดไปทางปัญญาแถ้าเบื้องต้นยังไม่สามารถสั่งให้มันคิดไปในทางปัญญาได้ก็หยุดคิดไปก่อนต่อไปพอเราหยุดคิดได้แล้วเราก็จะสั่งให้มันคิดไปทางปัญญาได้ คิว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเป็นเรื่องที่เราห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้มันเป็นเรื่องของธรรมชาติร่างกายนี้เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเพราะมันทํามาจากส่วนของธรรมชาตินั่นเองมันทํามาจากดินจากน้ําจากลมจากไฟที่ไม่มีใครไปสั่งให้มัน เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ดินน้ำลมไฟมันก็เป็นไปตามเรื่องของมันลมมันจะพัดก็ห้ามมันไม่ให้พัดไม่ได้ไฟมันจะร้อนขึ้นมาก็ทำให้มันร้อนไม่ร้อนไม่ได้ดินมันจะแข็งก็ไปสั่งให้มันไม่แข็งไม่ได้น้ำมันจะเหลวไปสั่งให้มันไม่เหลวก็ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามธรรมชาติของมัน ร่างกายก็ทามาจากดินน้ำลมไฟอาหารที่เรารับประทานเข้าไปก็มีทั้งดินมีทั้งน้ำลมก็คือลมหายใจเข้าออกที่เราหายใจกันอยู่ไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากการรับประทานอาหารส่วนหนึ่งแล้วก็ได้รับจากความร้อนของดวงอาทิตย์ของแสงอาทิตย์ นี่เป็นสิ่งที่มาสร้างร่างกายของพวกเราขึ้นมาแล้วพอสิ่งที่มาสร้างร่างกายของพวกเราเกิดความแตกสามัคคีกันขึ้นมาเมื่อไหร่เกิดความแตกแยกกันขึ้นมาเมื่อไหร่พอลมสไตรขึ้นมาหยุดทำงานไม่ยอมหายใจไม่ยอมทำงานปั๊บการทำงานของร่างกายก็ต้องยุติลงพอหยุดหายใจปั๊บ เดี๋ยวน้ำก็จะขอลาออกจากร่างกายไปเดี๋ยวไฟก็ออกจากร่างกายไปเหลือก็กลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของร่างกายของพวกเราทุกคนมันเป็นธรรมชาติมันไม่ได้เป็นตัวเราของเราอาวิชชาคือความไม่รู้ความจริงนี่แหละมันมาทำให้เราคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเรา มันมาทําให้เราคิดว่าร่างกายนี้เป็นนิจังสุขของอังหนาตาแต่ความจิตถ้าใช้ปัญญาแล้วมันก็จะมาละลายความหลงเหมือนคนสมัยก่อนที่คิดว่าโลกนี้แบนพอเอาความจริงมายืนยันว่าโลกนี้กลมะตอนตอนนี้ไม่มีใครคิดว่าโลกนี้แบนกันแล้วพอทุกคนรู้ว่านี่โลกนี้มันกลมก็เลยไม่มีใครกลัว ไม่กล้าเดินทางไปไกลกลัวจะตกออกจากโลกไปนั่งเรือไม่กล้านั่งออกไปสุดขอบทะเลพะไม่รู้พอไปถึงขอบทะเลแล้วจะไปนึงไหนต่อจะลงไปเหมือนน้ำตกหรือเปล่างก็ไม่รู้ตกเหวตกอะไรไปตกออกจากโลกไป <ừ. S 1> ก็กลัวกันไม่มีใครกล้าไปกัน ชั้นได้ร่างกายของเราเราก็ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราของเราเราก็เลยกลัวกลัวความแตกแยกของธาตุทั้งสี่คือดินน้ําลมไฟที่มันจะต้องแตกแยกกันในวันใดวันหนึ่งเพราะโดยธรรมชาติของดินน้ําลมไฟมันไม่ชอบอยู่ร่วมกันมันชอบอยู่ของมันลมมันชอบอยู่กับลมน้ํามันชอบอยู่กับน้ําดินมันชอบอยู่กับดินไฟมันชอบอยู่กับไฟ จาที่มันมารวมกันก็พ่อมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นบังคับให้มันมารวมกันเท่านั้นเองก็คือพ่อแม่ของเราเนี่ยเป็นตัวที่บังคับเอาธาตุชั้งสีมารวมตัวกันมาสร้างเป็นร่างกายของเราขึ้นมาเห็นไหมพ่อแม่ก็เอาธาตุของพ่อแม่มาผสมกันธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยคนประโยชน์มาผสมกันมันก็เลยทําให้ เกิดการก่อร่างสร้างตัวของร่างกายขึ้นมาในท้องแม่เกิดจากการการเสษการมของพ่อของแม่นี่เองจึงทำให้มีการรวมตัวของธาตุสีแต่ธาตุสีมันไม่มันไม่ชอบมารวมกันแต่เมื่อมันยังไม่สามารถแยกตัวกันได้มันก็ทนอยู่กันไปก่อนจนกว่าถึงวัยที่ร่างกายมันหมดแรงที่จะ รวบรวมพลังดึงท่าตั้งสี่ให้อยู่กับร่างกายต่อไปได้ท่าตั้งสี่มันก็ไปอพอไม่มีแรงหายใจปั๊บก็หยุดหายใจทันทีพอหยุดหายใจการทำงานของร่างกายก็หยุดทำงานทันทีพอร่างกายหยุดทำงานความร้อนก็หยุดทันทีหายไปทันทีพอลมไปปั๊บความร้อนก็ตามไปทันที เราเดี๋ยวน้ำก็ไหลออกมาทันทีไหลามาจากระทั่งเหลือแต่ดินส่วนที่แข็งก็กลายเป็นดินไปหมดนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษากันเพื่อที่จะทำให้เรานี้ไม่หลงไม่ไปยึดไปติดกับร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาเราจะได้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มันมีการรวมตัวของธาตุสีแล้วมีการแยกของธาตุสีอยู่ตลอดเวลาลมเข้าแล้วเดี๋ยวก็ลมออกน้ำเข้ามาในร่างกายแล้วบางส่วนก็ออกไปดินเข้ามาในร่างกายแล้วเดี๋ยวบางส่วนมันก็ออกไปเพียง <c oughs> แต่ว่ามันยังออกไม่หมดเท่านั้นเองมันยังทำให้ร่างกายอยู่ต่อไปได้แต่ในที่สุดมันก็จะต้องแยกกันแบบไม่มีการกลับมารวมกันใหม่อีก ต่อไปร่างกายก็ต้องกลายเป็นธาตุสี่ไปเป็นดินน้ำลมไฟไปแล้วตัวเราอยู่ตรงไหนไม่มีในร่างกายนี้ไม่มีตัวเราเราไปคิดแบบคนที่คิดว่าโลกนี้แบนเนี่ยเพราะไม่ได้ใช้ปัญญาวิเคราะห์พอมาใช้ปัญญาวิเคราะห์ก็จะเห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวเรามีแค่ดินน้ำลมไฟเป็นธาตุสี่เร เราจะไปเดือดร้อนกับท่าสี่ทำไมท่าสี่เขาก็ต้องเป็นท่าสี่ของเขาอยู่เรื่อยๆดินก็ต้องเป็นดินน้ำก็ต้องเป็นน้ำลมก็ต้องเป็นลมไฟก็ต้องเป็นไฟพอพิจารณาด้วยปัญญาจนเห็นชัดแล้วทีนี้ความคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเรานี้มันจะหายไปความคิดว่าร่างกายนี้จะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี้มันจะหายไปมันจะคิดว่า ความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายร่างกายไม่มีตัวเราเราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราอยู่ข้างนอกร่างกายเราเพียงส่งกระแสสัญญาวิญญาณมาเกาะติดที่ร่างกายเท่านั้นเองเราส่งกระแสวิญญาณตัวรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผลทพะมาเกาะติดอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายของร่างกายเท่านั้นเอง เพื่อที่เราจะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะที่ร่างกายไปรับมาอีกทีหนึ่งให้เราได้สนุกสนานให้เราเพลิดเพลินให้เรามีความสุขกันแต่การหาความสุขแบบนี้มันทำให้เราต้องมาทุกข์กับเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายมันจึงไม่คุ้มค่าถ้าลงทุนก็ขาดทุนลงทุน ร้านหนึ่งแต่ได้กาไรแค่แสนเดียวได้คืนมาแสนเดียวอย่าไปลงทุนแบบนี้ดีกว่ า, เ, าเลิกใช้ร่างกาย เ, าเป็นเครื่องมือหาความสุขดีกว่ามาเปลี่ยนหาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่ า, ามีพระพุทธเจ้าบอกว่าให้เราเลิกอย่าไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขกัน ให้เรามาหาความสุขจากการใช้ธรรมโอสถใช้สติใช้ปัญญาพะเวลาที่ใช้สติระ ง, งับความคิดปุงแต่งได้ความสุขความสงบก็จะเกิดขึ้นมาก็เป็นความสุขความสงบแบบช่่อค่าวไปก่อนแล้วต่อไปเราก็จะมีกำลังที่จะไปใช้ปัญญาในการทำให้ใจสงบไปตลอดอ ถ้าใจปล่อยวางอะไรได้แล้วใจก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับสิ่งที่ได้ถูกปล่อยวางไปสิ่งใดที่ยังไม่ได้ปล่อยวางก็ยังทุกข์ต่อไปก่อนแต่พอรู้ว่ามันทําให้ทุกข์ก็จะต้องใช้ปัญญามาตัดมันให้ได้<ม>และในที่สุดก็จะตัดได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้สู้ปัญญาไม่ได้<ม>ปัญญานี้เป็นเมื่อนเหมือนกับมีดที่แหลมคม ที่สามารถฟาดฟันสิ่งต่างๆได้หมด เ, เพียงแต่ขอให้รู้ว่ามันเป็นอะไรเท่านั้นเองเจะรู้ได้ก็ตอนที่มันเกิดความทุกข์ขึ้นมาพอ เ, เกิดความทุกข์กับเรื่องอะไรรู้ทันทีว่าต้องตัดเรื่องนั้นไปแล้ะถึงจะหายทุกข์แต่ถ้ายังไม่มีความทุกข์เราก็ยังไม่รู้ว่าเรื่องอะไรที่ทำให้เราทุกข์เนี่ย มีคำพูดว่าทุกข์บอกมีปัญญาบอกเกิดต้องเกิดความทุกข์ก่อนแล้วถึงจะได้เอาปัญญามาวิเคราะห์ว่าเรากําลังทุกข์กับเรื่องอะไรพอทุกข์กับเรื่องนี้เราก็ต้องตัดเรื่องนี้ทิ้งไปเพราะเราไม่ต้องเราเราไม่มีมันเราก็อยู่ได้เราไม่ต้องอาศัยอะไรมาให้ความสุขกับเราถ้าเราทุกข์กับร่างกายตอนนี้ก็ตัดมันไป อย่าไปยึดไปติดกับมันอย่าไปกังวลกับมันมันจะเจ็บจะตายก็ปล่อยให้มันเจ็บให้มันตายไปเราไม่มีมันเราไม่เดือดร้อนถ้าเรามีธรรมโอสถไว้คอยรักษาใจถ้าเรามีสติมีปัญญาใจเราจะสงบใจเราจะสบายใจเราจะไม่เครียดใจเราจะไม่ทุกข์ แต่ถ้าเราไม่ตัดเนี่ยมันจะทำให้เราเครียดทำให้เราทุกข์กันฉะ <Yeah. S 1> นั้นพอผู้ที่ปฏิบัติทมถึงขั้นปัญญาแล้วจะรู้ทันทีว่าจะต้องตัดอะไรจะไม่ต้องตัดอะไร <Yeah. S 1> สิ่งที่จะตัดก็คือสิ่งที่กำลังทำให้ใจทุกข์นั่นแหละถ้าทุกข์กับเรื่องอะไรก็ต้องตัดตัดเรื่องนั้นไปไม่ได้ไปตัดสิ่งนั้นแต่ตัดตัวที่ไปยึดไปติดกับสิ่งนั้น <Yeah. S 1> ตัวที่ไปยึดไปติดกับสิ่งนั้นก็คือ ตัวตันหาความอยากนี่อยากให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากให้ร่างกายไม่ตายเนี่ยไอ้ตัวนี้แหละที่ต้องตัดไม่ได้ไปตัดร่างกายร่างกายก็ปล่อยเขาอยู่ไปตามเรื่องของเขาเขาจะแก่ไม่แก่ก็เรื่องของเขาเขาจะเจ็บไม่เจ็บก็เรื่องของเขาเขาจะตายไม่ตายก็เรื่องของเขาที่เราต้องตัดก็คือ ตัวที่ไปยึดไปติดร่างกายตัวที่ไปยึดไปติดร่างกายก็คือตัณหาความอยากอยากให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะอะไรเพราะเราจะได้ใช้ร่างกายไปหาความสุขต่างๆแต่ความสุขที่เราได้กับความทุกข์ที่เราต้องเสียนี่มันไม่คุ้มค่ากันได้มาไม่คุ้มเสีย ได้ความสุขมานิดหนึ่งแต่ต้องมาทุกข์แบบกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนี้ไปเอามาทำไมสู้ตัดมันไปดีกว่าตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขดีกว่าหอตัดได้แล้วใจก็จะสงบแล้วจะเกิดความสุขที่ดีกว่าความสุขที่ได้จากทางร่างกายเรียกว่าเป็นปรมังสุขครั้งตามลาดับต่อไป พอตัดได้หมดแล้วความสุขในใจก็จะเป็นปรมังสุขขังขึ้นมา <c oughs> ดีกว่าความสุขที่ได้ผ่านทางร่างกายสุขแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปก็ต้องคอยหามาใหม่อยู่เรื่อยๆวันนี้ไปเที่ยวเดี๋ยวกลับมาบ้านความสุขที่ไปเที่ยววันนี้ก็หมดไปพรุ่งนี้ก็ต้องไปเที่ยวใหม่ต้องหาใหม่อยู่เรื่อยๆ แล้วพอร่างกายมีปัญหาขึ้นมาตอนนี้ทุกข์มากทั่วโลกเลยเขาสั่งห้ามเที่ยวกันเนี่ยที่ทุกข์ไม่ได้ทุกข์เพราะร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยทุกข์เพราะไม่ได้เที่ยวกันไม่ให้ออกนอกบ้านกันเนี่ยให้กักตัวให้ปีกวิเวกเห็นไหมเนี่ยให้ปีกวิเวกสิบสี่วันพอใครเริ่มมีอาการติดเชื้อขึ้นมานี่ยเบอกว่าตาปปีกวิเวกได้แล้ว สำหรับพวกที่ปฏิบัติธรรมนี้เขาก็ดีใจสิจะได้ไปปีกวิเวกเพราะธรรมดาต้องถูกบังคับให้ไปทำงานทีนี้บริษัทสั่งให้คนงานไปปีกวิเวกกัน <Yeah. S 1> พวกที่ชอบปฏิบัติธรรมก็ดีใจสิ พวกที่ชอบธรรมโอสถก็ดีใจจะได้ไปสร้างธรรมโอสดจะไปได้สร้างจะได้ไปสร้างสติจะได้ไปสร้างปัญญากันคนที่ปีกไว้แวกไปแล้วจะไม่เดือดร้อนกับมาตรการที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้แต่สําหรับคนที่ไม่เคยปีกไว้แวคนที่ชอบครุกคลีกันเนี้ยตอนนี้เครียดแล้วเพราะถูกสั่งห้ามคลุกคลีกันเนี่ยคิดดูคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ประเสริฐขนาดไหน ท่านสมัยขนาดไหนเนี่ยพระเจ้าสอนมาตั้งสองพัห้าร้อยกว่าปีกันแล้ววะให้ไปปีกุ้ยเว่กันอย่าคุกคีกันเนี่ยไปเปิดตำลาดูสิเนี่ยไม่รู้อะไรให้มักน้อยสันโดษเห็นไหมเนี่ยตอนนี้ต้องมักน้อยสันโดษนะอไม่ให้ออกไปกินไปเที่ยวไปดืม่มไปเล่นกันให้อยู่บ้านกินน้อยๆใช้น้อยๆเพราะไม่รู้ว่าจะยาวแค่ไหนโรคภัยแค่เจ็บเนี่ย คําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้ถ้าใครได้ศึกษาแล้วจะเห็นว่าโอ้มีคุณค่ามาหาศาลเลยเพราะว่าถ้าได้ปฏิบัติตามแล้วจะไม่เดือดร้อนกับมาตรการต่างๆที่เขาอยากกําหนดขึ้นมาให้มากน้อยตอนนี้ต้องประหยัดแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าโลกภัยมันจะระบาดนานเท่าไหร่เราจะไม่รู้ว่าเราจะมีกินกันได้นานสักเท่าไหร่ เราต้องกินกันน้อยๆกินเท่าที่จำเป็นพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เนี่ยมักน้อยเนี่ยสันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิดนะตอนนี้มีน้อยก็ต้องยินดีแล้วอย่าไปมากอย่าไปโลภมากโลภมากแล้วเดี๋ยวจะทุกข์เนี่ยเดี๋ยวจะต้องออกไปขโมยข้าวขโมยของ ถ้าเดี๋ยวก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจับไปติดคุกติดตารางอีกนะมักน้อยสันโดษปีกไม่เวกให้กักตัวเองอย่าไปอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับใครคุกคีกันนี่คำสอนมีมาตั้งแต่ในยุคสมัยพุทธกาลนะ 2,500 กว่าปีแล้วมาตรการที่จะป้องกันให้พวกเรานี้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกันนะ เป็น ม, มาตรการเพื่อให้เราไปสร้างธรรมโอสถกั น, นการมากน้อยสันโดษการปีกวิเว่การไม่คุคกคีกันนั้นเพื่อที่จะส่งเสริมการเจริญสติการจเจริญปัญญานั่นเองเพราะถ้าเราอยู่ด้วยกันเดี๋ยวเราก็เล่นกันล้วเดี๋ยวก็คุยกันละเดี๋ยวก็กินกันลนเดืมกันละเฮฮากันลไอเวลาที่จะมาพุทโธพุทโธก็ไม่เอานะให้สวดมนก็ไม่เอาให้ฟังเทศฟังธรรมก็ไม่เอา แต่พอเราไปปีกเว้ยนี้ไม่รู้จะทำอะไรแล้วสิใจเริ่มเครียดแล้วพอเครียดแล้วทีนี้ก็ต้องใช้สติแล้วต้องพุทโธแล้วยนือใช้การสวดมวนต์ไปในใจแล้วหรือใช้การฟังเทศฟังธรรมไปแล้วพอได้ใช้แล้วใจก็เริ่มสงบเริ่มสบายแล้วก็จะเริ่มเห็นคุณค่าของการเจริญสติว่าโอ้ยมันดีกว่าการไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปเล่นนะเพราะว่ามันจะทำให้เรา สงบไปได้ตลอดเวลาตามที่เราต้องการเพราะเราไม่ต้องไปมีเพื่อนไม่ต้องมีเงินไม่ต้องมีอะไรมาทําให้เรามีความสุขกันเพียงแต่เราสวดมนต์ไปภายในใจเพียงแต่เราพุโทโธไปภายในใจฟังเทศฟังธรรมไปใจเราก็เย็นใจเราก็สบายขึ้นมานนี่คือขั้นขั้นที่หนึ่งของการที่เราจะมาสร้างอา่ ธรรมโอสถเธอมารักษาใจของพวกเราให้หายเครียดกันให้หายวิตกให้หายกังวลกันเราต้องไปปลีกวิเวกกันอยู่แบบมากน้อยสันโดษกินมื้อเดียวก็พอเพราะการกินมากกับเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติกินมากก็จะทําให้ง่วงนอนจะทําให้ขี้เกียจถ้ากินน้อยๆมันจะทําให้ ไม่ขี้เกียจไม่ง่วงนอนจะทำให้มีความขยันขยันที่จะเจริญสติเดินจงกลงนั่งสมาธิเวลานั่งสมาธิก็ไม่ง่วงไม่หลับไม่สบะงบต้องมักน้อยในปัจจัยสี่อยู่แบบง่ายๆพอมีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พออย่าไปมีอาคารหรูหราเพราะมันจะต้องเสียเวลาในการ ดูแลรักษามีกระต๊บเล็กๆมีห้องเดียวอย่างนี้กวาดห้านาทีก็เสร็จกวาดถห้านาทีก็เสร็จสบายมีที่หลบแดดหลบฝนพอแล้วเสื้อผ้าก็มีสองสามชุดก็พอชุดหนึ่งไว้ใส่ชุดหนึ่งไว้ซักชุดหนึ่งไวส้ไวสำรองมีสามชุดนี้ก็อยู่ได้สบายแนละ้วสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องมีอะไรมากในเรื่องปัจจัยสี่ขอให้มีที่สงบที่ ที่ปีกวิเวกที่อยู่คนเดียวได้ที่ไม่ต้องไปคุกคีไม่ต้องไปยุ่งกับใครนั่นเองแล้วใจก็จะได้จจริสติได้อย่างง่ายดาย แล้วพอมีสติแล้วทีนี้สามารถมีความสุขได้ทุกเวลาที่ต้องการเวลาใดอยากจะมีความสุขก็หลับตาพุทโธไปดูลมหายใจเข้าออกไปห้านาทีสิบนาทีใจก็สงบใจก็เกิดความสุขขึ้นมานี่คือขั้นแรกของการปฏิบัติเป็นขั้นที่ง่ายกว่าขั้นที่สองคือขั้นปัญญา ก่อนที่จะไปขั้นที่สองได้นี้ต้องผ่านขั้นที่หนึ่งไปให้ได้ก่อนเพราะขั้นที่หนึ่งจะทําให้เราหยุดความคิดสั่งความคิดให้หยุดได้พอเราสั่งความคิดให้หยุดได้แล้วขั้นที่สองก็ถึงจะมาได้คือสั่งให้มันคิดไปทางปัญญาเพราะถ้าเราไม่สั่งมันจะคิดแบบเดิมมันจะคิดไปทางนิจจังสุขขังหลัตตามันจะคิดไปทางอาวิชชา อราคิดไปทางวิชามันก็จะทำให้เราเกิดตันหาความอยากที่จะไปเกาะติดกับร่างกายเพื่อท claro> ี่จะได้ใช really ้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเราแต่ถ้าเรามาคิดทางอนิจจังทุกขังอนัตตาคิดว่าร่างกายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะทำให้เราตัดความอยากที่จะใช้ร่างกายไปเป็นเครื่องมือหาความสุขให้กับเรา เราก็จะได้ไม่ต้องพึ่งร่างกายร่างกายจะเจ็บหรือจะไม่เจ็บเราก็จะไม่เดือดร้อนร่างกายจะตายหรือไม่ตายเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่เป็นขั้นที่สองที่เราต้องทาต่อจากขั้นที่หนึ่ง แต่ก่อนจะทำขั้นที่สองนี้ต้องทำขั้นที่หนึ่งให้ชำนาญก่อนไม่ใช่ได้สมาธิครั้งแรกแล้วก็จะไปต่อทางปัญญาเลยไปก็ไปไม่ได้ไกลคิดก็ได้คิดได้แป๊บเดียวมันก็จะหมดแรงมันก็จะกลับไปคิดแบบปวิชาแบบเดิมอีก แต่วิธีที่จะคิดแบบใหม่นี้ต้องให้มีสติมากๆ ม, มีสมาธิมากๆถึงแ ม, ม้มีมีมีมากแล้วก็ตามเวลาไปคิดทางปัญญาเดี๋ยวคิดไปสักระยะหนึ่งมันก็หมดแรงได้ บท ด, ดังงั้นมันก็จะถูกความคิดทางอาวิชชาดึงไปใหม่ได้อีกพออวิชชาจะดึงไปคิดก็ต้องหยุดคิดหยุดเจริญปัญญาเพราะมันไม่เป็นปัญญาแล้วมันเป็นกิเลสแล้วก็ต้องกลับมาเข้าสมาธิใหม่ผู้ปฏิบัตินี้ไม่ใช่จะทิ้งสมาธิเมื่อเข้าสู่ขั้นปัญญาได้ยังต้องกลับมาหาสมาธิอยู่เรื่อยๆออกไปทางปัญญาเพื่อไปพิจารณาัอนิจจังทุกขังอนัตตาพอ การพิจ า, ารณากลายเป็นนิจจังสุ ข, ขังหนาตาขึ้นมาเมื่อไหร่ก็แสดงว่าตอนนี้หมดกำลังแล้วต้องหยุดคิดแล้วก็กลับมาเข้ามาสมาธิมาเสริมสติเสริมเสริมกำลังเสริมอุบเบกขาขึ้นมาใหม่ การปฏิบัติพอเข้าสู่ขั้นปัญญาแล้วมันจะสลับกันลสลับทำระหว่างสมาธิกับปัญญาเข้าสมาธิเพื่อเสริมกำลังพอจากสมาธิมาก็พิจารณาตายลักต่อไปพอการพิจารณาตายลักเริ่มโยเยเริ่มเฉวเฉไปทางนิจจังสุขขงังหน้าตาก็ต้องหยุดแล้วก็หันกลับเข้ามาเข้ามาในสมาธิใหม่มาทำจิตให้สงบใหม่ พอจิตสงบแล้วออกมาก็เริ่มพิจารณาตายลักษ์ต่อไปอีกทำอย่างนี้ไปจนกว่าตายลักษ์นี้จะอยู่คู่กับใจไปตลอดเวลามองเห็นร่างกายก็เห็นเป็นไตายลักษทุกครั้งไปไม่มีความคิดที่อยากจะพึ่งร่างกายที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือพาใจให้ไปหาความสุขผ่านทางร่างกายพอได้อย่างนี้แล้วก็จะปล่อยวางร่างกายได้ร่างกายจะ เป็นอะไรใจก็จะไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขอีกต่อไปเพราะใจมีความสุขในตัวเองความสุขที่เกิดจากการปล่อยวางความสุขที่ในการหยุดความอยากใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขนี่เองแล้วข่าวข่าวเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ แต่ไม่มาสะเทือนใจแต่ก็ไม่ประมาทรับรู้ไว้ถ้ามีมาตรการอันใดที่ควรจะทำก็ทำไปป้องกันโรคภัยได้ก็ป้องกันอย่างน้อยถ้าไม่ป้องกันตัวเราก็ป้องกันไม่ให้ไปแพร่ให้คนอื่นเขาคนอื่นเขายังอาจจะลักตัวเขาอยู่ ถึงแม้เราไม่ล้างตัวเราแต่เราก็ต้องเอคิดถึงคนอื่นเพราะเรายังต้องอยู่กับเขาอยู่ไม่ใช่ว่าเราไม่กลัวตายไม่กลัวโรคเป็นก็เป็นเอป็นแล้วก็เป็นระบาดใส่คนอื่นอย่างนี้ก็ไม่ควรเข า, า, า, าบอกให้ล้างมือบ่อยๆคก็ล้างไปเช็ดมือบ่อยๆก็เช็ดไปเใส่หน้ากากก็ใส่ไปอย่าไปอยู่ในที่แออัดเบียดเสียดให้อยู่กันห่างฮ อย่างนี้ก็มีคําว่าให้อยู่ห่างกันประมาณสองเมตรเนี่ยห้ามอยู่ใกล้กันเพราะใกล้กันนี้มันยังสามารถแพร่โรคให้กับกันได้นี่อันนี้ก็ทําไปทําเท่าที่เราทําได้แต่จะแต่เราจะไม่ไปเครียดกับมันทำแล้วมันยังจะติดก็ช่วยไม่ได้ติดก็ติดเป็นก็เป็นตายก็ตายเพราะถ้าเราไม่ได้ต้องการใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วมันจะไม่ทําให้เราเดือดร้อนวุ่นวายใจ ดังนั้นเรากีกาต้องทําทั้งสองมาตรการฮะมาตรการทางร่างกายก็ทําไปนะถ้าเก็บตัวได้กลับตัวได้ก็เก็บไปปีกวิเวกได้ก็ปีกไปดีสิจะได้มีโอกาสไปเจริญสติเจริญปัญญาไปสร้างธรรมโอสถเนี่ยการปีกวิเวกเนี่ยแทนที่จะเป็นโทษกับเป็นคุณเป็นประโยชน์ท่านเรียกว่าให้ให้พลิกเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสเนี่ย โอกาสที่เราจะปีกวิเว่ยกันนี้ไม่ค่อยมีเพราะเราชอบแอบอ้างว่าต้องทำงานต้องมีธุระกับคนนั้นคนนี้แต่ตอนนี้เขาเปิดโอกาสและเขาสั่งเลยบอกต่อไปนี้ต้องไปปีกวิเว่ยกันเราก็ควรจะดีใจอย่าไปควรอย่าไปทุกข์ใจอย่าไปเดือดร้อนใจเพราะนานๆนจะมีโอกาสอย่างนี้เกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งมีโอกาสที่จะได้ไปปีกวิเว่โดยที่ไม่มีใครเข้ามาว่าเราว่าเห็นแก่ตัวบ้าง ว่อย่างงุ้นอย่างนี้บ้างออไปปีกเว่เพื่อเราจะได้ไปหนึ่งป้องกันโรคภัยไข้เจ็บทางร่างกายไม่ให้แพ้ไปให้กับคนอื่นสองมาสร้างธรรมโอสถเพื่อมารักษาใจของเราให้ไม่เดือดไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้วุ่นวายไปกับโรคภัยไข้เจ็บของทางร่างกายเราก็จะได้ ได้ยิงนกสองตัวด้วยกระสุนลูกเดียวจากการที่มีเหตุการณ์ที่ไม่ดีทางร่างกาย กลับเป็นเหตุการณ์ที่ดีสำหรับทางจิตใจเพราะมันจะบังคับให้เราต้องมาหาธรรมโอสถกันมาหายารักษาโรคใจเพราะว่าถ้าปกติแล้วเรามักจะรักษาโรคใจด้วยวิธีอื่นกันพอไม่สบายใจเราก็ไปเที่ยวกันไปกินไปดื่มกันไปเล่นไปดูหนังฟังเพลงกันแต่ตอนนี้ห้ามหมดใช้วิธีนี้ไม่ได้ ใช้วิธีเดียวคือให้ไปปีกวิเวกนั่นแหละตอนนี้แหละเราจะได้มีโอกาสจะยินดีหรือไม่ก็ตามโอกาสอย่างนี้คิดว่าชาติหนึ่งอาจจะเจอสักครั้งหนึ่งเนี้ยตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยคิดว่าจะเิดจะมีเหตุการณ์อย่างนี้ที่จะมีการบังคับให้ไปปีกวิเวกให้ไปแยกอยู่กันตามลำพังเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์นั้นเหตุการณ์อันนี้ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้ เป็นครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยด้วยไม่ใช่เฉพาะประเทศนั้นประเทศนี้มันไปแทบทุกประเทศแล้วเดี๋ยวนี้ดังั้นตอนนี้เราควรที่จะเอาวิกฤตอันนี้มาพิกมาเป็นโอกาสควรจะยินดีกับการปีกไม่เวกควรจะยินดีกับการไม่คบปีกันแล้วก็ อยู่ปีกวิเวกไม่คุกคีกันอย่างให้มีประสิทธิภาพให้มีคุณภาพคือต้องเจริญสติกับเจริญปัญญาให้ได้มันฝึกสติสวดมนต์ไหว้พระบริกรรมพุทโธนั่งดูลมหายใจเข้าออกหรือฟังเทศฟังธรรมไปเราก็จะได้ทั้งสติได้ทั้งปัญญาแล้วเราก็จะมีธรรมโอสถมารักษาใจของเราด้วยใจของเราก็จะไม่เครียด ร่างกายจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่เป็นปัญหาจะหายไม่หายก็ไม่เป็นปัญหาจะตายหรือไม่ตายก็เป็นปัญหานี่คือสิ่งที่ขอนามาฝากท่านในวันนี้ในช่วงที่มีโครคภัยไข้เจ็บโรคระบาดที่พวกเราต้องวันวิตกกังวลกันถ้าเรามีธรรมโอสถความวิตกกังวลก็จะไม่มีอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา จะากขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวหาปูราปริปุเรนติสากขลงเอวเมีวาอิโตทินังเปตานนังอุปการปฏิอิจิตังปทจิตังตุมหังคิปเมวาสมิจโตสัพเพพุเรนตุสังกปา จันโทปันาราโสยธามณีโชติอาราโสยธาสัพพิติโยวิวาจันตุสัพพารุโควินัสตุมาเตภวะโนอันตาราโยสุขีทีขายุโกภวะ ภาพิวาทนศสีลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโหธรมาวาทานติอายุวโนสุขังพาลังลำดับต่อไปเป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถาม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 รวมทั้งสิ้นหนึ่งพันสองรอยสิบสองท่านเจ้าค่ะวันนี้เพิ่มกล้องอีกตัวนึงกล้องอีกตัวบบไปถ่ายทางด้าน น, านอกอเปลี่ยนบรรยากาศเห็นหน้าคนพูดบ่อยๆแล้วเบือ่อ <laughs> ดูหน้าคนฟังบ้างดีกว่า อมีคำถามเชิญถามได้เลยคำถามจากคุณสุนาคะการที่เราสวดบทแผ่เมตตาอยู่บ่อยๆหมายถึงนึกขึ้นได้ก็สวดนึกขึ้นได้ก็สวดเจ้ากรรมในเวนจะหลุดพ้นเร็วไหมคะอ๋อไม่เร็วหรอกมันเป็นการเจริญสติมันไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาแผ่เมตตาต้องไปเจอเจ้ากรรมในเวนแล้วก็แผ่ต่อหน้าเขาเขาอยากจะได้อะไรก็ให้เขาไป เขาอยากได้เงินก็ให้เงินเขาไปเขาอยากจะด่าเราก็าปล่อยให้เขาด่าเราแล้วเดี๋ยวเวรกรรมก็จะหมดไปเองแต่การสวดนี้ไม่ได้เป็นการแผ่สวดคนเดียวนี้เป็นการเจริญสติเหมือนสวดพุทธโธสวดอิติปิโสคำถามจากคุณสุภัตราค่ะถ้าเกิดจิต หลอนจิตตนเองแล้วทำให้เกิดความกลัวจะแก้ไขยอย่างไรคะตอนนี้ใช้สติควบคุมค่ะถ้าจะใช้ปัญญาพิจารณาให้ขาดควรพิจารณาอย่างไรคะก็ว่ามันเป็นตายักมันเป็นมายาเป็นเหมือนภา พ, พยนตร์ไม่ใช่ของจริงก็แล้วก็ดับถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมันก็มาไม่ไมมันก็ทำลายเราไม่ได้ สิ่งที่ทำเราไม่ใช่มันเราทำตัวเราเองด้วยความกลัวด้วยความหลงเะะนั้นเราก็อย่าไปกลัวมันเหมือ น, นดูหนังผีไปกลัวมันทำไมคนดูผีมันไม่เอากระโดดมาจากโรงหรอกมันไม่กระโดดออกมาจากจอมาหลอกคนที่นั่งดูหรอกคนดูไปหลอกตัวเองแล้วไปกลัวเองนั่นเองไม่มีสติพอมีสติกะตบหน้าตเตยเฮ้ยเตยเตน กำลังฝันกำลังดูมายากำลังดูภาพหลอนก็มีเท่านั้นแหละนี่คือใช้ปัญญาคำถามจากคุณนริมนค่ะเมื่อเห็นความหลงไปยึดในสมมติจะถอนการยึดจากสมมติเพื่อที่ปล่อยวางต้องเห็นความจริงที่เป็นบอกเกิดสิ่งต่างๆที่เราหลงแล้วถอนการยึดเพื่อปล่อยวาง ถูกไหมคะนั่นแหละต้องมาดูความจริงดูวมันเป็นธาตุสี่เท่านั้นน่ะของทุกอย่างในโลกนี้เป็นดินน้ํำลมไฟมารวมกันเป็นกว๋วยเตี๋ยวเป็นข้าวผัดเป็นขนมเป็นคนเป็นโทรศัพท์มือถือเป็นอะไรไมันเป็นธาตุทั้งนั้นอ่ะแลเดี๋ยวมันก็ต้องมีการดับมีการสูญจะไหลไปตามเวลาของมัน คำถามจากคุณไพฑูรย์ค่ะ <c oughs> การกินมื้อเดียว <c oughs> เหมาะกับคารวะผู้ครองเรือนหรือไม่ครับเหมาะกับผู้ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นคารวะหรือเป็นพระถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่เหมาะนะถ้าทำงานมันก็หิวมันไม่พอต้องออกแรงถ้าทำงานก็กินตามปกติไปถ้าปฏิบัติทำยิ่งกินน้อยยิ่งดีเพราะกิเลสมันจะกาลังน้อย ต่อสู้กับกิเลสมันจะง่ายถ้ากินมากกิเลสมันจะอ้วนเราจะสู้กับมันยากมันจะอยากนอนมันไม่อยากนั่งไม่อยากเดินอยากหาหมอน <c oughs> คำถามจากผู้เราผู้เรียกตัวเองว่าสัตมุรุษถ้าอยากรู้ว่ามารดาที่เสียชีวิตไปแล้วจะมีความสุขดีหรืออยู่ในภพภูมิที่ดี หรือไม่ต้องทําอย่างไรครับเพราะไม่เคยเห็นฝันมันไม่เคยฝันเห็นมารดาเลยการทําบุญใส่บาตตอนเช้า Mas มารดาจะได้รับไหมครับก็ดูตอนที่มารดายัง ม, <confused> <yd> ยมีชีวิตอยู่เลยมันก็ไม่เปลี่ยนไปหรอกตอนนี้อยู่เป็นยังไงตอนนี้ตายก็เป็นอย่างนั้นแหละจิตมันไม่ได้เปลี่ยนไปปรับความตายของร่างกายแต่ถ้าเวลาอยู่มันทุกเวลาตายมันก็ทุกน เวลาอยู่มันสุขเวลาตายมันก็สุขกดูพระพุทธเจ้าเวลาอยู่ก็เป็นนิพพานเวลาตายก็เป็นนิพพานนั้นมันดูเห็นชัดๆดูตอนที่กําลังอยู่นี่แหละ ว, ว่าเป็นยังไงทุกขมากกว่าสุขหรือสุขมากกว่าทุกเนี่ยมันเวลาตายไปมันก็เป็นอย่างนั้นไป แล้วคำถามว่าที่สองก็ใส่บาทแล้วส่งไปถึงหรือเปล่าแลค่ะมันดาจะได้รับไหมคะก็แล้วแต่ว่ามันดารอรับหรือเปล่าอยู่ในสภาพที่มารับได้หรือเปล่าถ้าไปติดคุกในอบายก็ออกมาไม่ได้ถ้าเขาปล่อยออกมาปล่อยออกมาจากนรกก็มาเป็นเปรตก็จะมารับได้ คำถามต่อจากคุณภัยทูลที่ถามเมื่อกี้เรื่องของการกินมื้อเดียวนะคะถามต่อว่าผมลองกินข้าวมื้อเดียวดูปรากฏว่าผอมมากคนที่บ้านก็ทักว่าเหมือนคนป่วยก็เลยไม่มั่นใจทําให้เสียกําลังใจในการภาวนาผมควรปฏิบัติอย่างไรดีครับอ๋ออย่าไปฟังคนที่บ้านเลยให้ฟังรพร ะ, ร, ร, ร, ะระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธเจ้าบอกว่าร่างกายผอมแต่ใจอ้วน อ้วนด้วยธรรมอิ่มด้วยธรรมดีกว่าอ้วนด้วยร่างกายแต่พร้อมทางใจเพราฉนั้นไม่ต้องไปฟังคนทางบ้านเพราะคนทางบ้านก็เป็นคนหลงต้องฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นคนไม่หลงถ้าจะไปทางพระพุทธเจ้าก็ต้องฟังพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาคําถามจากคุณวันวันค่ะเวลานั่งสมาธิเสร็จ มักจะปวดหัวตอนนั่งไม่ปวดค่ะจะแก้ไขยอย่างไรดีเจ้าคะนั่งต่อไปสิถ้าปวดก็นั่งต่อไปจนกว่ามันจะหายปวดแล้วค่อยเลิกนั่งคําถามจากคุณไพหลิวค่ะเวลาพระบินทบาดทําไมท่านจึงไม่ใส่รองเท้าแต่เวลาอยู่วัดท่านใส่รองเท้าได้ค่ะคือมันเป็นธรรมเนียมสมัยพระพุทธการมงว่าเป็นพระนี่ต้องเป็นขอทานฮะไม่ควรจะทําทตัวเป็นเจ้า เจ้าชายเหมือนเจ้าชายศิท ธ, ธัตถะเพราะเราไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นเคขาควรจะให้เกียรติคนเขาที่เขาให้ความช่วยเหลือเราเราก็ต้องทําตัวให้เราเป็นเป็นเหมือนขอทานคือเป็นคนอ่อนน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อให้คนที่เขาให้มีความรู้สึกมีกําลังใจที่จะให้ถ้าเขารู้สึกว่าเราถือเนื้อถือตัวนี่เขาไม่อยากจะให้เราหรอกเขาไม่สงสารเราเขาหมั่นไส้เรา เป็นถือว่าเป็นนู่นเป็นนี่เป็นพระชันนชะช้นนู่นชั้นชาชั้นนี้บินถบาตไม่ได้หรือบินฑบาตต้องใส่รองเท้าอันนี้แสดงความมาักใหญ่ไฟสูงทำให้เขาลังเกียตคนที่ก็อยากจะให้ทานเขาลังเกียจในสมัยพุทธกาลเขาเลยคนที่ไปบินฑบาตเขาเลยไม่ใส่รองเท้ากันแต่เวลาอยู่ในวัดนี่ใส่ได้แต่เวลาออกบินถบาตเหมือนกับไปทำหน้าที่พิเศษ ที่มีเครื่องแบบเครื่องแบบก็คือไม่ใส่รองเท้าคำถามจากคุณโชติกาคะ่ะเมื่อคืนฝันเห็นผีปอบมาไล่แต่ในความฝันหนูไม่ได้ไปไหนยืนสู้อยู่เฉยๆเหมือนเขาจะทำอะไรเราไม่ได้ฝันเนี้ยจะบอกว่าจะเกิดเรื่องไม่ดีไหมเจ้าค้าไม่หรอกเรื่องดีสิว่าต่อไปเราไม่กลัวผีปอบแล้ว คำถามจากคุณนิวค่ะความเจ็บปวดที่เกิดจากร่างกายส่วนหนึ่งเกิดจากกรรมของเราด้วยหรือเปล่าครับเกิดจากการมวีร่างกายร่างกายนี้มันก็เป็นที่ตั้งของความเจ็บไข้ได้ป่วยจะเจ็บมากเจ็บน้อยก็อาจจะมีผลกระทบจากกรรมที่เราทำทำบาปมากบาปมันก็จะส่งผลให้ร่างกายเราเจ็บไข้ได้ป่วยมาก ถ้าทำบาปน้อยมันก็จะไม่มันก็ส่งผลให้น้อยถ้าไม่ทำบาปเลยก็จะไม่มีความเจ็บปวดเลยคำถามจากคุณรัศมีค่ะเพื่อนยืมเงินแล้วไม่คิดจะคืนเราจะทำใจว่าชาติก่อนเราคงเคยยืมเขาแล้วก็ไม่ใช่เขาได้ไหมคะเพราะจานวนเงินก็มากอยู่เลยยังติดอยู่ในใจค่ะ ถ้ามันทำให้เราสบายใจก็ได้นะคิดดีที่ไหนก็ได้คิดว่าเป็นการทำบุญไปก็ได้คิดว่าเป็นการใช้หนี้ก็ได้เห็นไหมเวลาเราทำบุญเราดีใจหรือเสียใจเสียเงินแต่เราไม่เสียใจเมื่อเวลาเราทาบุญแต่เวลาคนยืมเงินไปแล้วไม่คืนเงินเราเราเสียใจเสียเงินเราก็เสียใจด้วยเพราะเราไม่ได้คิดว่าเป็นการทาบุญนั้นก็ขอให้คิดว่าเป็นการทาบุญเราจะได้ไม่เสียใจเราจะได้ดีใจมีความสุข เิดว่าสงเคราะห์เขาช่วยเหลือเขาหรือว่าจะคิดว่าชาติก่อนเราเคยไปยืมเขาแล้วไม่คืนเขาก็ได้ได้สองวิธีคําถามจากคุณเริ่มต้นที่ศรัทธาสติปัฏฐานสี่กายเวทนาจิตธรรมผมอยากทราบว่าทําในที่นี้เป็นอย่างไรอย่างไรคือทําครับคือทําที่จะเอามาใช้ในการปล่อยวางกายเวทนาจิตนั่นเอง ว่าเรามีทรรมอยู่ในใจหรือเปล่าเช่นอริยสัจสี่มีไตรักหรือเปล่ามีมรรคแปดหรือเปล่ามีโชมมพชฌงหรือเปล่ามีพระห้าหรือเปล่าอันนี้คือธรรมที่เราจำเป็นจะต้องมีในใจเราเพื่อที่เราจะได้พิจารณาปล่อยวางกายเวทนาจิตได้ <c oughs> คำถามจากคุณไกลถ้าเราโดนกระทำด้วยคุณใส <c oughs> เราคุรจะแก้ไขโดยวิธีใดหรือจะปล่อยให้เขากระทำต่อไปอย่างนั้นโดยไม่ต้องแก้อะไรเลยครับ <c oughs> ก็เรารู้รู้ป่าว่ามันเป็นมันเป็นจริงรู้ป่าเราคุณสมงคุณใสเนี่ยถ้ามันมีจริงมันก็ถ้าเราแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็อยู่เฉยๆไปเหมือนกับโลกหวัดเนี้ยมันแก้ได้ก็แก้ไปแก้ไม่ได้ก็อยู่กับมันไปทำอย่างไรได้ ตอนนี้คำาก็สำคัญรักษาใจเราให้เป็นปกติเพราะความปกติของใจนี้สําคัญกว่าการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บทางร่างกายเพราะถ้าใจไม่ปกตินี่มันทรมานยิ่งกว่าความไม่สบายของทางร่างกายถ้าใจเป็นปกติแล้วความไม่สบายของร่างกายจะไม่มีผลกระทบต่อความเป็นปกติของใจ ใจสาคัญกว่าเพราะใจถาวรใจยืนยาวนานร่างกายเดียวเดียวก็มันก็ผ่านไปชีวิตของเราเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยไปสักระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็ตายตายแล้วมันก็หมดไปแต่ใจที่ยังไม่ได้รับการรักษานี้มันจะไปสร้างปัญหาใหม่คือไปสร้างร่างกายอันใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่แล้วก็มาทุกกับร่างกายอันใหม่ต่อไป แต่ถ้าเราสามารถรักษาใจของเราให้อยู่เฉยๆไม่มีความโลภความอยากแล้วใจของเราก็ไม่ต้องไปมีร่างกายอันใหม่เราก็จะแก้ปัญหาแบบระยะยาวปัญหาแบบถาวรแต่ถ้าแก้ปัญหาที่ร่างกายในที่สุดก็ต้องไปมีร่างกายอันใหม่ต่อคำถามจากคุณนิมิตคะ่ะภาวนาโดยการท่องพุโทโธได้ไม่นานก็ไปคิดเรื่องอื่นอีกแล้ว อย่างนี้ถือว่าการภาวนาพุโทโธไม่เหมาะสมกับตนเองใช่หรือไม่ครับขอคำชี้แนะครับไม่หรอกมันเพราะความเกียดข้ามของเรามากกว่าไม่กลับมาพุโทโธต่อไปเปลี่ยนอย่างอื่นมันก็เหมือนกันแหละพอไปเปลี่ยนอย่างอื่นได้สักพักก็ไปคิดแนละ้วเวลาคิดแล้วก็ต้องดึงมันกลับมาใหม่ กลับมาพุโทโธก็ได้กลับมาสวดเดติปิโสก็ได้สวดบทแผ่เมตตาก็ได้สวดอาการสารสิบสองก็ได้อางโคโมเมกายโยกายของเรานี่แหละได้ทั้งนั้นสวดบทไหนก็ได้ที่มันไม่สวยเพราะมันขี้เกียจสวดเท่านั้นเองมันชอบคิดมากกว่าขยันคิดแต่ขี้เกียจสวดเราต้องพลิกมันใหม่ให้มันมาขยันสวดขี้เกียจคิด คำถามเจ้าคุณโดค่ะคิดวางแผนจะบวชบิดามารดาขอไว้ไม่อนุญาตให้บวชจะอธิบายให้ท่านฟังอย่างไรดีครับก็ดูตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีลูกเศรษฐีคนหนึ่งอยากจะบวชพ่อแม่ก็ไม่ให้บวชอธิบายยังไงเขาก็ไม่ให้บวชก็เลยตัดสินใจไม่กินข้าวถ้าไม่ได้บวชก็ไม่กินข้าวยอมตาย ตอนต้นพ่อแม่ก็ให้เพื่อนๆนของลูกชายมาเปลี่ยนมามากล่อมใจให้เปลี่ยนใจใครมากล่อมมาชักจูงยังไงก็ไม่ฟังยอมตายเพียงลูกเดียวพอรู้ว่าลูกจะยอมตายพ่อแม่ก็ยอมให้บวชอย่างน้อยมันบวชก็ยังได้เจอมันอยู่ใช่ไหมถ้ามันไม่ได้บวชมันตายนี่แหละถ้าอยากจะบวชจริงๆมันได้บวชกันทุกคนะกลัวไม่ได้อยากจะบวชจริงๆนั่นแหะ คำถามจากคุณวิชัยค่ะพระสงฆ์สวดให้พรเวลาญาติโยมใส่บาทนีท้สามารถทำได้หรือเปล่าครับใครทาพระพระค่ ะ, ะเวลาใส่บาตรเขาไม่นิยมทำเกานิยมทําเวลาที่อยู่ในวัดอยู่ในศาลาอยู่ในที่เรียบร้อยการให้พรถ้าจะให้ก็แบบสั้นๆภาษาไทยก็ได้ขอให้สุขให้เจริญนะาอย่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องสวดทั้งคมภี คำถามจากคุณหมอกควันเทวดาถ้าหากเราเคยทำผิดและตอนนี้ได้สำนึกผิดกรรมจากการทำผิดอาจจะต้องรับแต่ถ้าจะปรับตัวทำความดีสวดมนต์เจริญภาวนาดูแลบิดา อย่างนี้จะถือว่าสายไปไหมครับอ๋อไม่มีวันสายแล้วตามได้ที่ยังมีลมหายใจอยู่สามารถพลิกชีวิตของเราได้จากชั่งให้เป็นดีได้จากอมคุลิมาให้เป็นอรหันต์ได้ขอให้เราทำเท่านั้นแหละแม้เพียงเวลาเจ็ดวันก็ยังสามารถบรรลุปเป็นพระอรหันต์ได้ถ้าจะทำจริงๆ คำถามจากคุณชุติมาศค่ะเจ้ากรรมนายเวรมีจริงหรือเปล่าคะแล้วเราควรวางใจอย่างไรถ้าเราป่วยโดยหาสาเหตุไม่ได้แล้วก็รักษาไม่หายสักทีค่ะก็เจ้ากรรมนายเวรก็คนที่เราไปทํามีเวรมีกรรมกับเขาไปก่อเวรก่อกรรมกับเขาอาณาชาตก่นก่อ น, อนมันก็ตามกันมา ส่วนในร่างกายที่เจ็บกายได้ป่วยนี่มันก็อาจจะเป็นผลที่เกิดจากการทําบาปของเราต่อคนนั้นคนนี้มันก็เลยส่งผลให้เรามามีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์แข็งแรงถ้ารักษาไม่ได้ก็ต้องรักษาใจไปเพียงอย่างเดียวักร่กรกางกายก็ปล่อยให้มันตายไปไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องตายแต่รักษาใจไม่ให้ทุกข์กับมันได้ด้วยการฝึกสติฝึกปัญญา หมดแล้วเลย ม, มีใครอยากจะถามอีกไหมไม่มีก็เอาแค่นี้ก็แล้วกันนะ <c oughs> ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ